ก็ขอเจริญพรนะญาติโยมทุกคนมาตามนัดนะสิบโมงตรงมเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนาะหลวงพ่อก็ได้เปิดเสียงธรรมที่นะได้สนทนากันเมื่อวันก่อนๆ น, นะแล้วก็มาให้ควังซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งเวลาหลวงพ่อเปิด เปิดย้อนหลังเนี่ยหลวงพ่อก็ยังฟังอยู่เลยเพราะว่าฟังถึงบางทีเนี่ยตอนที่เราคุยกันจริงๆไอ้บางทีมันฟังไม่ทันอืฟังไม่ทันแล้วก็คําถามต่างๆที่เขาถามมาบางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่พอเรามาฟังซ้ําเราจะรู้เลยว่าอ๋อผู้ถามต้องการถามแบบนี้แล้วเราก็ควรจะตอบให้ตรงคําถามแต่บางทีด้วยความไม่เข้าใจของผู้ตอบนะของหลวงพ่อเอง ก็อาจจะตอบไปอีกมุมหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อมาเห็นในตอนที่มาฟังซ้ำสำหรับโยมก็เหมือนกันตอนที่ฟังรอบแรกเพราะว่าโยมต้องตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามบางทีมันคิดไม่ทันมันรู้ไม่ทันแต่ถ้าได้มาฟังซ้ำอีกเป็นการทบทวนก็จะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นอันนี้ประโยชน์จากการฟังซ้า แต่ทีนี้มันอยู่เรื่องของเวลาเลยเนาะว่าพวกเราเนี่ยมีเวลาแค่ไหนเพราะบางทีต้องต้องทำงานเนาะทำมาหากินมีพระอื่นๆก็เยอะเป็นคาราวะานี่บางทีมันก็เ อ, องานเนี่ยมันเยอะแหละส่วนใหญ่ก็คืองานเยอะแต่ของพระเนี่ยงานคืองานกรรมฐานอย่างเดียวนะเช้ามาก็ออกบิญทบาทออกบบญทบาตคือไม่ต้องคิดเรื่อง การทําอาหารว่าวันนี้จะแกงอะไรจะทําอะไรไม่ต้องคิดเลยเดินไปรับบิณฑบาตแล้วก็กลับมาแล้วก็ฉันพอฉันเสร็จช่วงนั้นก็ถ้าไม่มีงานวัดไม่มีอะไรต้องทําก็คือหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องการทางโลกไม่มีนะแล้วก็พอตกเย็นก็จะสวดมนต์ไหวพ้พระปงังธรรมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีกิจอะไรอีกแล้ว เพราะนั้นพระเนี่ยจะมีเวลาว่างมากนะแต่ในเวลาว่างเนี่ยอถ้าหมายถึงว่าบวชมาเพื่อที่จะประพฤติพรหมจรรย์นะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยมันก็มีแต่งานกรรมฐานนะจิตภาวนาสมาที่ภาวนาวิปัสนาอย่างเดียวนะทีนี้มันก็อยู่ที่คนแหละว่าเออบวชมานะจุดประสงค์เป้าหมายมันแค่ไหนมุ่งตรงต่อพระนิพพานหรือไม่ ถ้าไม่มุ่งตรงก็ก็อย่างว่าแหละอย่างที่เห็นเห็นแต่ถ้ามุ่งตรงก็จะไม่คลุกคลีนะไม่เข้าหมู่คณะปลีกวิเวกมาอยู่คนเดียวมาอยู่ที่เรือนว่างคือกุดหรือว่าคนไม้อย่างวัดหลวงพ่อวัดป่าสุขโตเนาะเป็นป่าอยู่บนเขาเต็มไปด้วยป่าอืมแล้วก็กุดที่อยู่ก็กุดหลังเล็กๆอยู่คนเดียวรูปเดียว นะวิเวกมากก็เหมาะแก่การภาวนาภาวนาที่ทางที่วัดป่าชกะโตเนี่ยเหมือนกับว่าจะเน้นแนวาตามแนวทางที่หลวงพ่อเทียนจิตตสุโพนะที่ท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ในสายการปฏิบัติธรรมด้วยเขาเรียกว่าฝึกสติกับการเคลื่อนไหวเพราะสมัยก่อนโนอนะคงไม่มีคือฝึกมันก็มีกรรมฐานมันก็มีหลายวิธีเนาะ จะเอาอะไรเป็นเป็นฐานที่ตั้งของสติมันก็มีมากมายแต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยมาฝึกกับมฝึกรู้ตัวกับกายที่เคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเดินยืนนั่งนอนคูเหยียดเคลื่อนไหวนะเดินไปทักข้างหน้าถอยมาข้างหลังหันซ้ายแลขวาก้มเงยกินเคี้ยวดื่มนะ เกนน้ำลายกับพิษตาอ้าปากถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะสวมใส่เสื้อผ้าฝึกหมดรู้ตัวให้หมดเลยในกิริยาเหล่าเนี้ยอเพราะนั้นถ้าได้หลักวิธีมันก็ไม่ยากแล้วเพราะว่าร่างกายก็มีอยู่แล้วอุปกรณ์ในการฝึกนะอุปกรณ์ในการฝึกสติก็คือมีอยู่แล้วคือกายเพราะฉะนั้นเมื่อมีกายก็รู้กายกายเคลื่อนไหวก็รู้ว่ากายเคลื่อนไหว มันก็ซื่อๆตรงๆพอเคลื่อนไหวปั๊บมันก็รู้แต่ถ้าคนที่เก่งกายไม่เคลื่อนไหวกายอยู่นิ่งก็ยังรู้เลยก็หมายความว่ากายเคลื่อนไหวก็รู้กายหยุดนิ่งก็รู้อย่างนี้รู้รอบในเรื่องของการเคลื่อนไหวเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดอ่าบางทีก็มาฝึกเอาเดินอ่ารู้นี่เอาพอหยุดดูที่รู้ได้ไห ม, อ า, อ, าไหมอาก็รู้อ่แล้วเดินใหม่อาก็รู้หยุดอีกก็รู้ ทีนี้หัดเดินถอยหน้าถอยหลังบ้างเนาะหัดเดินถอยหน้าถอยหลังเอาก้าวไปข้างหน้าอก็รู้อถอยมาข้างหลังก็รู้ก็เดินถอยไปถอยมามันก็รู้รู้เล่นๆนะโยมรู้เล่นๆไม่ใช่ว่ารู้จริงๆคือเพราะการรู้เนี่ยถ้ารู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันมันไม่ต้องเพ่งไม่ต้องกําหนดหรอกพอเดินปั๊บมันรู้เลยอทีนี้ก็มาฝึกรู้ฝึกรู้พอรู้บ่อยๆ สติหรือว่าจิตมันก็มารู้อยู่กับกายใช่ไหมแทนที่มันจะออกไปคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็กลับมากลับมารู้เพราะฉะนั้นถ้าจิตมันไม่รู้มันก็ออกไปข้างนอกแต่พอมันรู้มันกลับเข้ามาที่ตัวเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอ้จิตเนี่ยเนาะถ้ามันรู้ที่ตัวมันก็ไม่ไปไหนแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปมัดไปล่ามเอาไว้ไปขังเอาไว้ให้มันมาอยู่กับตัวนะไม่ใช่ก็หมายถึงว่าพอมันออกนอกตัวก็รู้ทัน พอรู้ทันปั๊บมันก็กลับมาถ้ารู้ทันนะมันจะกลับมาเองมันจะกลับมาเองแต่ทีนี้เวลาเราสอนเราคุยกันก็บอกว่าดึงกลับดึงกลับอันนี้มันก็อาจจะเป็นภาษาพูดเนาะแต่ถ้ามันรู้สึกตัวจริงๆอ่ะมันไม่มีพูดดึงหลวงก็ยกตัวอย่างนะกรณีที่มันกลับมาแบบไม่มีพูดดึงนะสมมตินะสมมติว่าโยมนั่งใจลอยนะอาจจะนั่งดูทีวีก็ได้เนาะทีวีเปิดอยู่ ตัวเองก็นั่งอยู่บนโซฟานะแล้วก็ดูทีวีพอดูไปดูมามันมันเขาเรียกว่ามันหลงไปคิดในเรื่องอะไรไม่รู้กลายเป็นว่าทีวีมันก็เปิดอย่างนั้นแลเสียงก็ดังอย่างนั้นแต่ตอนเนี้ยหลงคิดไปแล้วใจลอยคิดถึงอดีนะันาคตเมอเลยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวสักนิดเดียวไม่รู้เลยแต่ทีนี้ถ้ามีเอ่ อ, อ, อมีคนมาตีหัวปกนึ่งนะขณะที่กาลังเมอเพลินเนาะ พอตีหัวปับ๊บโอ้โหจิตมันกลับมาเลยมันกลับมารู้ไอ้ตรงที่ถูกกระทบอ่ะที่หัวนะ่บกอสะดุ้งเลยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจิตมันกลับมามันกลับมารู้อย่างเนี้ยไม่ได้เรียกว่าดึงกลับเพราะมันกลับเองเนาะเข้าใจเนาะเพราะนั้นความรู้ตัวที่ถูกต้องเนี่ยรู้ตัวอย่างธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีการดึงแต่มันจะรู้แบบ ทำมาชาติมากแล้วเบาหิวเบาหิวเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีผู้ดึงไม่มีผู้ดึงแล้วเวลามันหนีก็เหมือนกันนะมันก็เบาหิวเหมือนกันแต่ไม่รู้หรอกว่าเบาหิวแต่มันก็ลอยไปเองอหมมันลอยไปคิดไปเหมื่อเพ้อเพินจนกระทั่งเอามีคนมาสะกิดเลยก็กลับมารู้แหละมันก็กลับมารู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้เราจริงๆอ่ะเราเรียนเรื่องจิตเราฝึกจิตนะ้เรื่องพวกเนี้ยแต่เวลาเราพูดเหมือนกับว่ามารู้กายที่เคลื่อนไหว มารู้กายที่เดินมารู้กายที่นั่งคล้ายๆก็มาฝึกเรื่องกายเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เข้าใจผิดนะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าการรู้กายคือมาฝึกรู้กายกายเคลื่อนไหวก็คือให้รู้เหมือนกับว่ามาเรียนรู้แต่เรื่องกายเนาะเหมือนกับกายมันเดินก็ให้รู้มันเดินแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเขาฝึกจิตฝึกจิตคือฝึกให้มีตัวรู้เออฝึกให้มีตัวรู้เพราะว่าโดยเอากายเนี่ยเป็นตัวล่อไง ตาตัวล่ อ, อ ก, ก็หมายถึงว่าเอากายมันกระดูกกระดิกเอาไว้เคลื่อนไหวเอาไว้พอเคลื่อนไหวใช่ไหมตัวรู้มันก็ทํางานก็คือรับรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทําความเข้าใจให้ดีนะถ้าเข้าใจผิดนี้โอ้โหทำมันก็เรียกว่าเสียเวลาในการฝึกแต่ว่าถ้าเข้าใจถูกเร็วเนาะมันก็ทําให้เออก็ เ, เรียกว่าการเดินมักการเดินทางสู่ความพ้นทุกเนี่ยมันก็จะไปเร็วเพราะนั้นที่เราฝึกผิดๆทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเข้าใจผิด เข้าใจผิดในการอ่านหนังสือแล้วก็ตีความหมายแล้วก็ผิดหรือว่าฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนนะท่านสอนถูกอะ่ะแต่ว่าเราเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดมันก็ปฏิบัติผิดอ่าปฏิบัติผิดก็ทุกวันเนี้ยปฏิบัติผิดกันเยอะเช่นเดินจงกรมนะหลวงก็ยกตัวอย่างนะจริงๆอ่ะในในในหลักสติปัฏฐานเขาบอกว่าเมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเราเดินแต่เวลาฝึกจริงอะ่ะโอเคเดินอะ่ะถูกแล้วแหละเดิน แต่ไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นไปที่เขาสอนว่าให้รู้ว่าเราเดินแต่ไปเพ่งไงไปเพ่งไปจ้องคาว่าเพ่งกับจ้องเนี่ยมันไม่เหมือนกับการดูนะเออมันไม่เหมือนกับการรู้เพ่งเนี่ยไม่ใช่รู้จ้องก็ไม่ใช่รู้แต่รู้เนี่ยไม่ใช่เพ่งและก็ไม่ใช่จ้องตรงนี้นี่นะถ้าไม่มีการยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ มันเข้าใจไม่ได้ทีนี้หลวงพ่อจะขยายความน ะ, ะสมมติในในภาคปริยัตเนี่ยก็บอกว่าเมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเราเดินนะเห็นไหมคือรู้ตัวเราไอ้ตัวเดินน่ะเขาเรียกเ้าภาษาสมมติเขาเรียกว่าตัวเราใช่ไหมแล้วก็ตัวเราก็เดินทีนี้เมื่อตัวเราเดินก็บอกว่าให้รู้คําว่ารู้นี่คือมีสติสติรู้แต่เวลาปักตริบัตินะ มันเพ่งมันจ้องทีนี้หลวงพ่อใจชี้นะไอ้คาว่าเพ่งกับจ้องเนี่ยมันต่างกับรู้ตรงไหนอ่าสมมติเรายมเพ่งเท้าเนาะเวลาเดินยมเพ่งเพ่งเพงเพ่งเพราะว่าเหมือนกับจะรู้ให้ชัดอ่ะจะรู้ให้ชัดว่าเออเท้ามันกำลังเดินหรือว่าจะรู้ให้ชัดว่าตัวกำลังเดินก็เลยต้องเพ่งดิเหมือนกับว่าถ้าไม่เพ่งแล้วกลัวจะไม่รู้ก็เลยเพ่งเอาไว้พอเพ่งอ่ะ ตัวไอตัวเพ่งนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรู้เหตุที่บอกว่าตัวเพ่งไม่ใช่ตัวรู้เพราะอะไรโยมลองเพ่งใหม่ดิเพ่งอะไรก็ได้สมอว่าโยมจ้องมองอะไรก็ได้เพ่งเนี้ยแล้วรวมก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันมีอีกตัวหนึ่งที่มารู้ว่ากําลังเพ่งอยู่นะเห็นไหมมันมีอีกตัวหนึ่งมารู้ว่าเราเนี่ยโอ้เพ่งสุดขีดเลยนะเพ่งโฟกัสมาที่ตรงเนี้ยอนี่เขาเรียกว่าเพ่งกับรู้จึงเป็นคนละตัวกัน หรือแบบนี้ก็ได้เพ่งเนอะสมมติเราโยมโยมเอาเอาได้มาใส่ในรูเข็มเนาะออลองนึกภาพเลยถ้าเคยมีตอนนี้ก็ทําก็ได้มันมีเข็มแล้วก็อาได้แล้วเอามือจับแล้วก็ส่องใส่ในรูเข็มตรงนั้นเห็นไหมโยมไม่สนใจเรื่องอื่นละแต่โยมกําลังกระทําแบบนี้เขาเรียกว่าเพ่งเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนในการมองเห็นนะเพราะนั้นการเพ่งเนี่ยไม่ใช่รู้เหตุที่เรียกว่าไม่ใช่รู้เพราะอะไร ยมลองเพ่งใหม่ดิแล้วมันก็จะรู้ว่าโอ้โหเพ่งสุดขีดเลยเพ่งมากเลยเพราะฉะนั้นน่ะรู้กับเพ่งก็เป็นคนละตัวกันแล้วกออกนะอืมทีนี้จ้องจ้องบ้างอ่ะสมมติจ้องการจ้องเนี่ยจ้องก็ไม่ใช่รู้นะอ่าแล้วก็ลวงปูง่เขายกตัวอย่างนะสมมติว่าจ้องยมเคยจ้องอะไรม้างอะ่ะสมมุติว่ามีคนเดินมาเนาะยมก็แอบดูแล้วแบบจ้องจ้อ ง, อ, ง, อ, ง, อ, งอ่ะจ้องจ้องจ้องเออไอ้จ้องนี้ก็ไม่ใช่รู้ เา็าอะไรลองทำใหม่ที่จ้องใหม่แล้วก็มันจะรู้ว่าเรากำลังจ้องเพราะฉะนั้นจ้องก็ไม่ใช่รู้เนี่ยถ้ายมเข้าใจอย่างเนี้ยต่อไปเวลายมเพ่งนะมันก็จะเริ่มรู้เลยว่าอ่ามีพฤติกรรมของการเพ่งแล้วก็จะรู้ว่ามันเพ่งถ้ารู้ว่าเพ่งเนี่ยคือถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าเพ่งไม่รู้นี่คือนอกทางคือผิดหมดเลยผิดในหลักสถิติฐานคืออะไรที่มันผิดตรงไหนเพราะว่าอะไรกาลังเพ่งก็ไม่รู้ว่าเพ่ง เห็นไหมนี่หลวงพ่อกำลังแก้ข้อบกพร่องให้เนาะทีนี้อ่พอภาคปฏิบัติจริงสมมติตอนนี้ได้ฟังแล้วเราบอกอ้าวโยมทั้งหลายไปเดินจงกรมนะไปเดินจงกรมทีนี้ถ้าคนไม่เคยได้ยินเนาะก็เพ่งเหมือนเดิมแต่ตอนเนี้ยโยมผ่านการได้ยินแล้วแค่โยมมีพฤติกรรมการกําหนดรู้อ่ะแค่นั้นแหละก็ เ, เรียกว่าเริ่มเพ่งอ่อนอ่อนแล้วแล้วก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่มันมีการกําหนดรู้แล้วนี่แบบเนี้ย ก็รู้ไปแต่ก็ยมยังมิก็ยังทําเหมือนเดิมและต้องกําหนดรู้อะเนาะเพราะว่าถ้าไม่กําหนดรู้เดี๋ยวมันหลุดแต่การกําหนดรู้เนี่ยคือไม่เพ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพียงแต่รู้เบาๆแต่ก็ยังรู้อยู่นะแบบถึงรู้เบาๆก็มันยังมีน้ําหนักอยู่ดีเพราะว่ามันมีน้ําหนักในการที่จะกําหนดเออแต่น้ําหนักเนี่ยจะน้อยกว่าตอนเพ่งนะอันนี้เหมือนกับจะมีน้ําหนักนิดหน่อยเพราะนั้นเห็นไหมละไอตัวรู้มันรู้นะว่าเนี่ยตอนนี้มีน้ําหนักแล้ว ทีนี้ถ้าโยมเพ่งนานหรือโยมกำหนดกาหนดรู้นานๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเดี๋ยวมันจะเมื่อยเห็นมแล้วก็จะมีรู้มารู้อีกแล้วว่าอ่ะเมื่อยแล้วเหนื่อยแล้วทีนี้โยมพอจะเข้าใจเรื่องรู้แล้วยังว่ารู้เนี่ยคือมันทำหน้าที่แบบเนี้ยเออมันทำหน้าที่แบบนี้เพราะฉะนั้นที่เราฝึกเนาะเราฝึกให้มีสติหรือว่าฝึกให้มีตัวรู้ฝึกให้มีตัวรู้แต่ก็ไม่ได้ เน้นตรงนี้เลยนะฝึกให้มีตัวรู้ไม่ได้ฝึกเพื่อที่อยากจะได้อะไรไม่ใช่ฝึกเพื่ออยากจะได้ความสงบไม่ได้ฝึกเพื่ออยากจะให้มันแบบโลง่งโลงโปรง่ปรงๆเบาสบายไม่ใช่อ่ะอันนี้หมายถึงว่าหลวงพ่อพูดในแนวของการเจริญปรรัญญาเจริญสติในขั้นที่ว่าไม่ไม่เน้นเรื่องสมาธิเพราะขณะที่รู้ได้เนี่ยมันมีสมาธิอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่ถ้าไม่รู้ศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มี แปล ง, ง่ายๆก็คือขณะที่มีสตินั่นแหละศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยเดี๋ยวมันค่อยๆพัฒนาไปเพราะนั้นฝึกสติอย่างเดียวก็ได้ทั้งศีลทั้งสมาธิและก็ทั้งปัญญาอ่าพออย่างความผิดพลาดแล้วเนาะที่เราเคยปฏิบัติมาเนา ะ, ะดี๋ยวนี้เรื่องของลมหายใจก็เหมือนกันยมดูนะใครที่ฝึกลมหายใจอะ่ะลมหายใจจริงๆมันมีอยู่แล้วเนาะ จะฝึกรู้หรือไม่ฝึกรู้เนี่ยโดยธรรมชาติมันหายใจเข้าหายใจออกหายใจหยาบแล้วแต่เหตุการณ์มันหายใจอยู่แล้วแต่พอมาฝึกรู้ลมหายใจเนี่ยฝึกจิตก็เรียกว่าฝึกจิตฝึกให้มีจิตรู้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยลมหายใจมันมีแต่หายใจแต่ไม่มีจิตมารู้เลยเขาก็เลยมาฝึกให้จิตมารู้ลมหายใจเพรวันนั้นตอนฝึกมันก็แน่นอนแหละมันจะต้องแบบแบบแบบกําหนดเนาะกำหนดรู้กําหนดมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้รู้ เชิงบังคับจิตนิด น, ดนดหน่อยๆ่อยแต่บางคนไม่ใช่นิดหน่อยแหละบังคับมากๆเลยต้องรู้ลมเข้าลมออกแบบชนิดที่แบบเพ่งๆอะเนาะเออเขาเรียกว่าเพ่งอันเนี้มันก็แน่นอนเพราะว่าผู้ใหม่นี่ต้องเพราะความไม่รู้นี่แหละก็ต้องทําแบบผิดๆไปก่อนแต่เมื่อมีประสบการณ์มากเข้าเนี่ยก็จะรู้เลยว่าโห้ที่ผ่านมานี่มันเพ่งลมหมดเลยอะเรื่องไม่ได้ฝึกจิตเลยเพราะว่าเข้าใจไม่ถูกนึกว่าดูลมแต่จริงๆอะเราเพ่งลม แล้วเพ่งลมเพ่งนี่ก็ไม่ใช่จิตรู้ <c oughs> ใช่ไหมก็กลายเป็นปฏิบัติผิตอ่าทีนี้พอรู้ว่าผิดก็เริ่มปรับๆหน่อยหนึ่งว่าเออไม่ทําอย่างนั้นก็เพียงแต่ว่าให้เห็นร่างกายมันหายใจอะ่ะเพราะลมเนาะมันก็เป็นเป็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของกายแล้วก็ให้มองรวมๆ ว, ว่าเออร่างกายนี้มันหายใจได้ว่ะร่างกายนี้มันหายใจเข้าหายใจออกก็ก็รู้รู้เบาๆเนาะรู้เล่นๆอย่าไปบังคับจิตมากเดี๋ยวมันก็เหนื่อยก็เครียดแล้วก็เบื่อกับการฝึก ก็หมายความว่ารู้เบาๆรู้ลมเข้าลมออกก็เห็นมันก็จะเกิดการรู้การเห็นนะพอรู้การเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมพอทํานานๆเดี๋ยวมันก็เหนื่อยมันก็เมื่อยเพราะว่าอะไรเพราะมีการกําหนดรู้ไงแต่เบื้องต้นแน่นอนต้องกําหนดรู้นะทีนี้พอเป็นอย่างนี้พอตอนหลังก็มันก็จะรู้เหมือนกับว่ า, วาไอ้จิตรู้เนี่ยฝึกบ่อยๆเนาะจิตรู้มันก็กลับมารู้ลมบ่อยๆแล้วพอถูกฝึกแล้วไงจิตเอ่อจิตรู้มันไม่ค่อยออกไปเที่ยวไปดูนู่นดูนี่มันไม่ค่อยไปแล้วเพราะว่ามัน มันเหมือนกับจิตนี่มันถึงว่าแม้ว่ามันเป็นอนัตตาเนาะแต่ก็ฝึกมันได้ลองเทียบสิว่าถ้าคนไม่เคยฝึกนะจิตก็ยังเบอร์เบอเพลินออกไปรู้นูน่นรู้นี่ข้างนอกนอกตัวอ่าเหมือนเดิมแต่พอฝึกบ่อยๆ่ อ, ยออ๋อจิตรู้สึกว่ามันรู้ลมหายใจบ่อยๆขึ้นแล้วเออจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็รู้ลมหายใจนี่แสดงว่าฝึกได้แต่บังคับมันไม่ได้เ อ, อทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็ดเราก็ เข้าใจแล้วว่าอ๋อที่เราฝึกนี้นะปานาสันปานาอาณาปานสตินี่เขาฝึกจิตนะเนี่ยเพราะว่าสติก็คือเรื่องของจิตแต่เอาอาศัยลมเป็นเครื่องล่ อ, อลมเข้าลมออกก็จิตก็รู้ทีนี้เราก็จะเริ่มรู้จักจิตรู้ขึ้นมาว่าจิตรู้ไม่ใช่ลมลมก็เป็นสิ่งที่จิตรู้แต่ลมจะมารู้จิตรู้ไม่ได้เพราะลมเนี่ยมันไม่มันมันมันรู้อะไรไม่ได้หรอกลม เพนนั้นที่รู้ได้ก็คือจิตจิตนี่แหละไปรู้ทีนี้พอจิตรู้เสร็จแล้วต่อมาเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มเห็นเห็นอาการของลมใช่ไหมลมหยาบลมละเอียดเออจิตก็รู้เริ่มรู้แล้วก็บางครั้งบางคราวจิตก็ไม่ว่าจิตไม่รู้ว่าไม่รู้ลมเพราะเหตุว่าจิตไม่รู้ลมเพราะว่าจิตเนี่ยมันมันเผลอไปจากลมแล้วมันไปคิดเรื่องอื่นมันไปรู้เรื่องอื่นก็เลยไม่รู้ลมทั้งทั้งที่ลมยังหายใจเหมือนเดิมเนาะแต่ไม่รู้นั่นแสดงว่าจิต ออกไปรับรู้อย่างอื่นแต่เมื่อฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเกิดเขาเรียกว่ามีสติคือระลึกรู้ได้เร็วขึ้นคือมันจะกลับมาพอกลับมาเสร็จแล้วมันก็รู้ลมอีกแล้วก็รู้อย่างนี้แต่ยังไงก็ตามอย่างน้อยถ้าเราเรียนรู้เรื่องจิตจะรู้เลยว่าไอ้จิตรู้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะมีการเกิดรู้ที่ลมแล้วก็บางทีมันก็ไม่รู้ลมอ่เห็นไหมถ้ามันรู้ลมแสดงว่ามันเกิดรับรู้ที่ลม ถ้ามันไม่รู้ลมสแสดงว่ามันดับแล้วในการรู้ลมแต่มันไปเกิดตรงอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเกิดดับได้จิตหมายถึงนี้คือจิตรู้นะเกิดดับได้เออเพอเกิดดับได้ในตอนนี้เราเริ่มเห็นปัญญาแล้วเกิดปัญญาว่าอ๋อลมมันเป็นกายแล้วก็จิตมันเป็นนามธรรมกายมีการเข้ามีการออกมันก็เปลี่ยนแปลงเนาะจะเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นสังขารเปลี่ยนแปลงหายใจออก สุดของมันแล้วก็หายใจเข้าเห็นไหมหายใจออกหมดไปแล้วก็เปลี่ยนมาหายใจเข้าพอหายใจเข้าเสร็จแล้วเอาหายใจออกหายใจเข้าก็หมดไปเห็นไหมมันมีการมีแล้วหมดมีแล้วหมดส่วนจิตรู้เอามันก็รู้ลมบางทีไอตอนรู้ลมเขาเรียกว่าจิตมันเกิดเนาะเกิดรู้ขึ้นมาพอมันไม่รู้ลมเขาเรียกว่าจิตดับอ่าแสดงว่าจิตรู้ก็เกิดดับเกิดดับอ่านึกออกหรือยังไอการเห็นความเกิดความดับนี่เขาเรียกว่าเห็นไตรลักษ แต่ว่าอันนี้เมื่อกี้เห็นได้หนึ่งใจหนึ่งหนึ่งลักษณะคือเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงถ้าเห็นลักษณะที่สองคือเห็นว่ากายกายลมก็เป็นทุกข์เป็นทุกขังนะเนาะคือมันทนสภาพเดิมไม่ได้หมายความว่ามันจะหายใจออกอย่างเดียวอ่ะไม่ได้มันทนไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนจนหายใจเข้าอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นทุกขขังเพราะฉะนั้นกายลมมันก็เป็นเป็นทุกข์เป็นทุกขัง แล้วก็ไอจิตรู้มันก็จะรู้แบบตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้มันถูกบีบคั้นคือมันทนมันทนต่อ ก, การรู้ไม่ได้มันจึงดับไปพอดับไปก็เรียกว่าจิตเป็นทุกขังนี่ได้สองลักษณะแล้วนะลักษณะที่หนึ่งคือเห็นความไม่เที่ยงทั้งทั้งกายกายลมเป็นความไม่เที่ยงจิตรู้หรือว่าสติก็ไม่เที่ยงต่อมาลักษณะที่สมคือความเป็นอนัตตาคือ ไอลมที่กลมเข้านะพอลมเข้าวบดอันนี้เ็เรียกว่ามีพอหายใจออกเบิดเอา้าไอลมที่เข้าไม่มีเนี่ยแสดงว่ามันมีแล้วไม่มีก็เรียกว่ามันไม่มีจริงๆเขาเป็นแค่มีแค่ชั่วคราวนิดหน่อยแล้วก็ลมเข้าลมออกมันไม่มีอยู่จริงคือไม่มีจริงอย่างถาวร ม, มีแค่เป็นขณะขณะอย่างเนี้ยเขาก็จึงเรียกว่าอนัตตาคือไม่มีความเป็นอน ต, ตา ถ้าเป็นอัตตามันจะต้องไม่เสื่อมคือมันจะต้องเข้าเข้าๆอย่างเดียวออกก็ออกอย่างเดียวไม่เปลี่ยนแต่อันนี้มันมีแล้วหมดมีแล้วหมดจึงเรียกว่าอนัตตาแล้วอีกอย่างหนึ่งจะไปบังคับให้มันเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้บังคับให้ออกอย่างเดียวก็ไม่ได้เขาจึงเรียกว่าลมเนี่ยก็เป็นอนัตตาจริงๆคือไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเรื่องลมก็เห็นลักษณะ3อย่างแล้วคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตา ทีนี้มามองเรื่องจิตบ้างอ้จิตมันก็เหมือนกันคือมีความเป็นอนิจจังพูดไปแล้วก็คือมีการมีการรู้แล้วก็ไม่รู้อ่าก็เรียกว่าเกิดดับแต่การเกิดดับเนี่ยก็มันเข้าลักษณะเป็นทุกขังนั่นแหละก็คือว่ามันจะรู้อย่างเดียวทนรู้อยู่อย่างเดียวไม่ได้มันทนไม่ได้มันก็เลยดับไปอพอดับไปเสร็จแล้วมันก็รู้ใหม่ก็เกิดใหม่แล้วก็ดับใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยเเรียกว่ามันเป็นทุกขัง คือมันทนรู้ให้นานๆไม่ได้มันจะต้องดับอันนี้ลักษณะที่สองลักษณะที่สามจิตรู้จะสั่งให้รู้ตลอดเวลานะก็สั่งไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ก็จึงเรียกว่าอนัตตาอ่าแล้วก็แล้วก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้ามันเป็นอัตตานะก็หมายความว่าจะต้องรู้ตลอดเวลาเลยรู้ตลอดเวลาเป็นปีเป็นชาติเป็นนับคือเขาเรียกว่านับอายุกันเท่าไหร่มันก็คือไม่ดับไปอะ่ะ อันนั้นแล้วก็เรียกว่าถ้าเป็นอัตตาคือมันไม่เปลี่ยนอันนี้มันเปลี่ยนแสดงว่ามันเป็นอ น, นัตตารวมแล้วทั้งกายทั้งจิตคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดมองออกแล้วยังลมหายใจไม่ใช่เราจิตรู้มองออกแล้วยังว่ามันไม่ใช่เรามันคือลมลมก็คือลมการรับรู้ก็คือจิตจิตคืออะไรจิตก็คือธรรมชาติไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นลมไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรา อ่ะทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องลมกับจิตแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันมีลักษณะเดียวกันหมดเลยคําว่าอย่างอื่นก็คือสังขารทั้งหลายมีลักษณะเป็นไรลักษณ์หมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นไรลักษณ์หมดทีนี้ถ้าเราเราเข้าใจเรื่องลมแล้วใช่ไหมเราก็มาศึกษาเรื่องอื่นดูสิว่ามันจริงหรือเปล่าก็มาศึกษาศึกษาอะไรสักเรื่องหนึงสมมติว่าหยิกเนาะโยมลองหยิกแขนตัวเองให้มันเจ็บอะ่ะ ก่อนหยิกมันยังไม่เจ็บใช่ไหมอพอหยิกเจ็บแล้วก็สังเกตว่าความเจ็บมันก็เปลี่ยนไปคือมีแล้วหมดไปมีแล้วหมดไปมันก็เข้าลักษณะ3มอย่างเหมือนกันคือไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาความเจ็บเป็นลักษณะของไตรลักษณ์ก็คือไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เจ็บอะ่ะมันก็คือมันเป็นเหตุมันมีสิ่งมาทํามาทําก็เรียกว่ามันมีเหตุเนาะ มีเหตุจนกระทั่งมันเกิดความเจ็บขึ้นมาพอมันหมดเหตุความเจ็บก็ดับลงเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยังไงก็เป็นตัวเราไม่ได้เพราะเนี่ยตอนนี้ความเจ็บมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นตัวเราได้ยังไงนะเนาะแล้วพอมันมีเอา้ามันเกิดแล้วแล้วมันดับไปแล้วเอา้าแล้วจะเรียกว่าตัวเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นความเจ็บก็ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งแค่เพียงถูกรู้ถูกรู้ด้วยจิตจิตตัวเดียวกันนี่แหละที่เมื่อกี้เนาะ รู้ว่ามันเจ็บแล้วสุดท้ายความเจ็บก็ดับไปแล้วไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้ตัวจิตรู้มันก็ดับเหมือนกันมันไม่มีเจ็บแล้วมันจะรู้มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะมันก็คือมันดับพร้อมกันพอเจ็บปั๊บมันรู้พอเจ็บดับมันก็ดับตามเพราะฉะนั้นจิตกับความเจ็บก็คือเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันจริงๆมันไม่พร้อมหรอก Garden, aken, spirits, en, icki, also, มันเหลื่อมกันนิดหนึ่งพอเจ็บปั๊บจึงรู้อมันเหลื่อมกันนิดหนึ่งแล้วก็แต่สุดท้ายก็คือดับทั้งคู่ดับทั้งเจ็บ เป็นสิ่งถูกรู้และก็จิตที่เป็นผู้รู้ก็ดับหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ็บเป็นเราได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ยังไงก็มองเป็นเราไม่ได้เพราะฉะนั้นพอศึกษาแค่นี้แล้วอ้าวศึกษาเรื่องอื่นอีกนะความเจ็บเอาความสุขบ้างความสุขเนาะทําสมาธิก็ดีรู้สึกเอ้ยมันมีความสุขอแต่ก่อนเนี่ยความก่อนทําความสุขไม่มีพอทําไปทํามาความสุขเกิดพอเกิดเสร็จแล้วอ้าวแล้วก็ความสุขพอออกจากสมาธิเอาความสุขดับ แล้วอะไรมารู้ความสุขก็จิตเอง ก, กันแหละเพราะนั้นไอ้เรื่องจิตเนี่ยจิตรู้เนี่ยโอเคเราผ่านการพิจารณามาแล้วว่าไอ้จิตรู้เนี่ ย, รรา ม, ม, าววยมันก็เกิดดับมันรู้อะไรมันก็ดับหมดแล้วก็สิ่งถูกรู้มันก็เหมือนกันนะเกิดแล้วก็ดับหมดเพราะฉะนั้นมันมีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับตามที่หลวงพ่อเคยคุยไว้ในช่วงโมงก่อนๆเนาะว่ามันมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับแล้วตรงนี้พอเข้าใจแล้วได้แล้วอย่างว่ามันไม่เป็นเรา เพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีสติเนาะแล้วก็มีการพิจารณาซ้าๆๆๆๆๆมันก็เกิดปัญญาแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะถอดถอนจะถอดถอนความเห็นผิดนะเมื่อก่อนเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่เมื่อได้พิจารณานะเนืองๆ อ, อ, อยู่เป็นประจำปัญญามันก็แ ก, กล้ามากขึ้นมันจึงเชื่อเชื่อเลยว่าอ๋อที่แท้มันเป็นสังขาร นะเป็นมันเป็นสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทั้งสังขารทั้งทั้งสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่งอ่าเขาเรียกว่าสังขารมันก็เป็นธรรมะเป็นอนัตตาคือธรรมะทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อแค่ยกตัวอย่างมาเนี่ยแค่นี้ก็พอจะเห็นแล้วว่ามันเป็นมีเขาเรียกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เรา แต่ทีนี้อ้าวบางคนก็บอกว่าโอเคผมเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วว่ามันไม่มันไม่ใช่เราอ่าตอนนี้ต้องกลับมาที่ตัวหนูแล้วทีเนี้ยตัวไหนละ่ะตัวที่บอกว่าอ้าวหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เราก็มารู้ตัวหนูสิคราวนี้ไอ้หนูคนไหนอะหนูค น, น, นที่พูดว่าหนูเข้าใจแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวใจรักเหมือนกันเห็นไหมเรียกว่าตัวเราเนี่ยแหละตอนนี้เป็นตัวเราขึ้นมาแล้วตัวเราผู้รู้เนี่ย อตัวเราก็เป็นเป็นใจรักเหมือนกันตัวเราก็แก่ตายเจ็บเหมือนกันสุดท้ายสุดท้ายนะสิ่งที่ตัวเราไปรู้มันก็เกิดดับตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็เกิดดับแต่มันมีธรรมชาติอันหนึง่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือธรรมชาติที่รู้ตัวเรานี่สุดยอดตรงนี้แหละเพราะว่าไอตัวเราเนี่ยรู้จักแล้วนี่ว่าไอตัวเราทั้งตัวเนาะมันก็อยู่ภายใต้กด ของใกลักแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งมันมารู้ตัวเราเนี่ยมารู้ตัวเราเนี่ยว่าเราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกอนัตตาจริงๆแต่ไอตัวรู้ที่มารู้ตัวเราตัวนี้แหละที่คุยกันทุกวันแล้วก็เข้าใจยากที่สุดไอตัวที่รู้ตัวเราเลยมันไม่มีตัวแล้วมันไม่มีเกิดไม่มีดับนะมันไม่มีเกิดไม่มีดับมันเป็นมันเป็นความแต่ใช้คาว่าว่างนะมันมันเกอบได้แต่มันไม่ได้ไง เพราะว่าความว่างเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งถูกรู้อยู่ดีความว่างเนาะเช่นถุนว่ามันรู้สึกว่าว่างย่างไความว่างก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่อะไรมารู้ว่างอ่ะก็ธรรมชาติรู้ก็แสดงว่าในว่างมันมีมันมีมันมีมันมีรู้เออในความว่างเนี่ยมันมีความรู้แต่รู้กับว่างเนี่ยมันก็เป็นจะเรียกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้เออรู้กับว่างเนี่ยมันอยู่เนื้อเดียวกัน มันอยู่ที่เ อ, อจะพูดยังไงเอาเป็นว่าให้พอเข้าใจเนาะในความว่างอ่ะมันมีความรู้ในความว่างมันมีความรู้แต่ทีนี้ความว่างไม่ใช่อากาศนะอากาศเนี่ยถ้าดูดูอย่างเข้าๆมันก็เหมือนกับว่างแต่มันยังเป็นอากาศแต่ถ้าว่างเนี่ยหมายความว่ามันไม่ปรากฏว่าเป็นอะไรนะมันไม่เป็นดินไม่เป็นน้ําไม่เป็นอากาศอืไม่เป็นก้อนเมฆไม่เป็นดวงอาทิตย์ ไม่เป็นตัวเราไม่เป็นเนื้อไม่เป็นหนังไม่เป็นเอ็นไม่เป็นกระดูกแล้วก็ไม่ใช่น้ำไม่ใช่ดินไม่ใช่ไฟคือไม่ใช่หมดความว่างอันนั้นอ่ะเนาะแต่ในความว่างอันนั้นมันมีความรู้แล้วก็มันสามารถรู้อะไรอ่ะก็รู้ทุกสิ่งที่มันอยู่ในว่างทุกสิ่งเนี่ยมันอยู่ในว่างหมดนะไม่กระทั่งอากาศมันก็อยู่ในว่างแต่ความว่างอ่ะมันไม่ใช่อากาศไอ้ว่างว่างที่เป็นแบบไม่ปรากฏอ่ะนะเพราะอากาศเป็นสิ่งที่ปรากฏลมก็เป็นสิ่งที่ปรากฏ แต่ว่างที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วในว่างนั้นอ่ะมันมีความรู้ก็หมายความว่าอะไรที่อยู่ในว่างมันรู้หมดแหละแต่รู้อันนั้นเน่ยมันพูดไม่ได้ว่ามันรู้อะไรเพราะว่าถ้ามันพูดได้มันก็กลายเป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏเออเพราะนั้นไอ้ที่รู้จริงรู้แท้รู้ที่ไม่เป็นอะไรอ่ะนะก็เรียกว่าที่เขาบอกว่าที่ว่ามันนิ่งเงียบมันไม่พูดมันไม่จามันไม่กระดุกมันไม่กระดิกมันไม่เคลื่อนไหว มันไม่ไปมันไม่มาเออมันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยทีนี้การที่โยมจะเข้าใจตรงนั้นได้เนี่ยก็คือนี่ alley, มาศึกษาเรื่องนี้แหละมาศึกษาตามลำดับที่หลวงพ่อเล่ามาเนี่ยว่าอ๋อมาฟังมาตามลำดับแล้วมันมีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับสิ่งเกิดสิ่งดับแล้วพอตอนสุดท้ายมันก็จะมีผู้รู้ผู้รู้ก็คือตัวเรารู้ว่าอ๋อมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับแต่สุดท้ายตัวเราที่เป็นผู้รู้ก็ยังตายเข้าโรงถูกเผาเหมือนกัน เอาไอ้ตัวเราทั้งตัวก็เป็นสิ่งเกิดดับอ่าและทีนี้แหละจะพบไอ้ตัวที่มารู้ตัวเราไอ้ตัวที่รู้ตัวเรานั่นแหละคือมันเป็นความว่างคือมันไม่ใช่ตัวเรามันพ้นไปจากตัวเรามันก็รู้ว่าเราก็เป็นสิ่งเกิดดับแล้วมันก็รู้จักตัวมันดีว่ามันอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วมันอ่ะมันอยู่ในว่างเออแล้วก็มันอยู่ในว่างอยู่ในว่างก็แสดงว่าเต็มไปหมดเลยเต็มเต็ม จะเรียกว่าคือมันไม่มีขอบเขตนะเนาะเออเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ที่มันไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจะเรียกว่าใหญ่มก็ไม่ใช่จะเรียกว่าเล็กก็ไม่ใช่จะเรียกว่ากว้างก็ไม่ใช่ยาวก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ปรากฏความกว้างความยาวไม่มีเขตไม่มีขอบเออมันไม่ปรากฏสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราหาไม่ได้เพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่ามันมีอยู่มีอยู่แบบไม่ปรากฏนะถ้าเราไปหาเนี่ยจะไปหาเจอได้ไงอ่ะมันเป็นความไม่มีใช่ไหม เออแล้วตัวผู้หาก็ยังเกิดแล้วแก่เจ็บตายไปแต่อันนู้นมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าไปพบมาสิ่งนั้นแหละไอ้สิ่งที่ไม่ปรากฏนั่นแหละแล้วก็ออกมาบอกเราเพราะฉะนั้นคําว่าพุทธะเนี่ยพระพุทธเจ้าอ่ะนะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานคือมันเป็นคําภาษาสมมุติบัญญัติแต่ถ้าเพื่อให้มันเข้ากันเนี่ยคาว่าพุทธะเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นผู้พบเรื่องเนี้เป็นผู้รู้เสียเองอ่ะนะ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าตัวจริงอ่ะมันมองไม่เห็นนะจับต้องไม่ได้แต่ที่เราเห็นนั่นน่ะคือขันห้าเนาะที่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยถ้าสมมติเราเกิดทันเนาะตามองเห็นนะว่าอ๋อนี่พระพุทธเจ้าแต่จริงจริงอ่ะที่ตามองเห็นเอามือไปจับอ่ะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่คือแค่ขันห้าแต่พุทธะองค์จริงนู่นเป็นความไม่ปรากฏตัวเป็นความไม่ปรากฏอะไรมีความรู้มีได้แต่รู้แต่ก็พูดก็ไม่ได้ แต่เวลาพูดได้ก็อาศัยให้ขันห้าเนี่ยพูดพูดออกมาจากออกมาจากความรู้อันนู้นแหละอันหมายถึงว่าความรู้ที่เป็นพุทธะโดยแท้นะพูดไม่ได้แต่มีความรู้ก็เลยผ่านมาทางขันห้าคือผ่านมาทางจิตทางความจําความอะไรก็แล้วแต่ปากเนี่ยมาพูดแทนเพราะฉะนั้นที่พูดได้พูดได้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รู้จริงหรอกเป็นไม่ใช่พุทธะแต่รู้จริงอต้องนิ่งเป็นใบ พูดไม่ได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขไม่มีอะไรก็เรียกว่าเหนือทุกข์เหนือสุขเป็นนู่นเลยอ่ะเป็นเป็นสุญยตาไปเลยก็วันนี้วันนี้ก็หลวงพ่อพูดลําดับมาเนาะจนกระทัง่งให้ถึงให้ถึงนู่นสูงสุดไปเลยแต่ว่ามันก็อาจจะบางคนที่เรียนมามากและผ่านการปฏิบัติม า, มามากเข้าใจไม่ยากแต่ถ้ายังปฏิบัติน้อยยังมาปฏิบัติน้อยยังไม่เห็นสภาวะธรรม มันก็เข้าใจไม่ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งเข้าใจไม่ได้เลยมันจะต้องรู้รู้ที่ไม่ใช่คิดรู้นั่นแหละคือพุทธองค์จริงรู้ที่ไม่ใช่คิดรู้ที่ไม่พูดอะไรนั่นแหละคือพุทธองค์จริงซึ่งมีอยู่แล้วเพราะเป็นธรรมชาตินะพระพุทธเจ้าก็พบมาแล้วก็มาบอกมาสอนว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยจะต้องพบสิ่งที่มันไม่ทุกข์ไม่สุขเขาเรียกว่านี่หล ว่างแหละความว่างที่ไม่ใช่ว่างอากาศอย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วก็มีความรู้รู้แจ้งรู้แจ้งต่อสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกแต่ไม่ติดโลกไม่ติดยึดอะไรได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้